ตอนนี้ไปป่อวันดาท่านนันไลนั่งตามปกติไม่ต้องขุดมือนะวางมือตามแบบสบายฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งการเจริญพระกรรมฐ า, านในพระพุทธศาสนาถ้าว่ากับเป็นหมวดจะยมีสีหมวดหนึ่งสุขาวิปัสสโก สองเทวโชวสามทะละักโยตสี่ปริสันวิทัพประตแต่ละหมดละหมดก็มีธรรมนามมากมายสุดแรกแต่จะปฏิบัติแต่สำหรับวันนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อผลบางอย่างือว่าเป็นการพิสูจน์คำสอนพระองค์สมเด็จตวสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าสมบอกว่านรกมีจริงเปรตมีจริงแล้วสุดายมีจริงเจตจา์ชาตติจารย์มีจริงมนุษย์มีจริงเทวดามีจริงพรมีจริงแล้วสง่าสูงวิพญาณที่สมเด็จพระวิจิตรมานทรงตรัสว่าการตายแล้วมีสภาพไม่สูนมันสูนแต่กายแต่จิตใจไม่ได้สูนไปด้วย มันจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์ปิชาบ้างตามกฎของกรรมชั่วและไปเกิดเป็นเทวดาบ้างพรมบ้างตามกาลังความดีเรื่อไปยนิพพานตามหนักความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้แลวก็ยังทรงยืนยันว่าคนทุกคนที่เกิดมาในโลกก็จะเกิดชาตินี้ชาติเดียว เกิดมาแล้วหลายหลายชาติกิเลสมันยังไม่หมดที่ยังเกิดต่อไปอีกว่าจะเกิดเป็นอะไ ร, ร, ก, รก็สุรากาญจนกระทำความดีหรือความชั่วของแต่ละบุคคลคนนั้นรวมความว่าเรื่องของชีวิตหาจุดจบไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรยบรมศาสนดาทรงยืนยันไม่มากอันนี้สำหรับพวกเราเราคุตบริษัท เที่บรรยกาศตนเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระภูมิพลอดุลย์ถ้าเราจะเชื่อโดยไม่มีการพิสูจน์นเลยก็รู้สึกว่าจะไม่ดีทั้งนี้พระองค์สมเด็จพระจินทร์สีต้นดัตวาต้องใช้ศรัทธาประกอบพุทธปัญญาถ้าแค่ที่โมกษศรัทธา น, น้อมใจเชื่อพระองค์ก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันในเมื่อพระพุทธเจ้าทันท้าเรา เราก็ต้องพากันสู้ความท้าของพระพุทธเจ้าการสู้ความท้าของพระุทเจ้าคือปฏิบัติทางด้านจิตใจเข้าถึงอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าต้องการการจะรู้สวรรค์การจะรู้นรกมีวิธีการหลายสิบแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้กันด้านอกิญญาดโดยตรง ก็ยังมีความจาําสยชัดเจนดีมากแต่ก็ไม่แน่นักตอนหนึ่งที่องสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ทรงทานโลภีถ้ามีทิพยคุยานมันก็เหมือนกับคนที่เดินไประหว่างทางเวลาเดือนมืดคือเวลาค่ำพระทิพยจมโดนแล้วพระจันทร์ยังไม่ตั้งขึ้น ความเด่นมดก็ไม่มกินเห็นอะไรมันก็ไม่สนั่นชมกขมัวถ้าเป็นพระอริยเจ้าขันพระราหันปกติ mm hmm. ก็จะมีความสว่างคล้ายกับตะเกียงรั้วเอาไว้ตั้งไว้ที่กลางกลางความมืด <c oughs> มีความสว่างไม่มากและแสงาสว่างก็ไปไม่ไกลถ้าเป็นพระอาคัสสาว ก็ยังเหมือนกับเอาคบเปลืองไปจุดไว้ที่ในที่มดืดแสงสว่างมากกว่าสันตเจียงรั้วถึงชัดเจนกว่าแต่บริเวณก็ไม่กว่าถ้าเป็นพระประเจวุเจ้าก็จะมีแสงสว่างจากคิดรือคุยานเหมือนกับเดือนหงายที่มีพระจันทร์บันเินไม่มีเมฆฝัง ถ้ากำลังเขาองสมเด็จพระสัม ม, สมาสัมพุทธเจ้าเขาจะมีแ ส, สงสว่างคลายผ้าทิศเวลาที่ยงเช่ไม่มีและไม่ฟังเหมือนกันร่วงความวัตถุอยู่คุณ ญ, ญาณที่เราจะฝึกปันนี้ขอทุกท่านก็นรู้เสด้วยว่าความแจ่มใสนี่ยมันไม่แจ่มใสมาก <c oughs> เว้นไว้แต่ว่าระยะสายบารมีของสมเด็จพระพูทมีพระพาช่วยในเรื่องหนึ่งต่างหากการปฏิบัติเพื่อมีผลอันดับแรกเป็นทิฏฐิคุยานและอันดับที่สองในขนาดเดียวกันก็เป็นมโนยิทธิมโนยิทธินี่เป็นส่วนหนึ่งของกุญญาอิทธิขึ้นสู่ความเป็นทิฏฐิคุยานเบื้องต้น จะมีการทรงสมาธิไม่สงูงขั้นอุปจาระสมาธิตามแนวที่ท่านสอนไว้ในด้าของวิชาสามเห็นว่าการฝึกวิชาสามขึ้นอุปจ้าขึ้นทิบยุคยา น, นี่ให้สมาธิไม่สงูงไม่เหมือนในสิญยา แมงกล่าวว่าเป็นการใช้สมาธิขั้นอุปจาระสมาธิคือว่าถ้าจะใช้วิชาสามด้านทีจิตวญญาณก็ใช้กระสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือเตโชกสินโอทาเกสินหรืออาโลกสินว่าจับกระสินสามกองนี้กองใดกองหนึ่งแล้วถ้าจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิ สา ม, มารถบังคับมีมิตรสินได้ตามปุกติให้ทรงตัวหลังจากนั่ง ก, เกธธ็เริ่มฝุกธิพย์เรอคกูุยานต้องการเห็นภาพาอะไรอธิษฐานขอสาันภาษาวิสุธิมักหบดใจคำว่าเพื่อก็คืนนึกนึกให้ภาพเกิดสิ่นั้นหายไปห้อยภาพที่เราต้องการจะเห็นปรากฏแทน นี่ลงความว่าการขึ้นหรือกําลังเขาวิชารสามก็แช่แค่อุปจารและสมาธิสมัตหลักวันนี้ไม่ได้ขึ้นตามแบบนั้นเพราะแบบนั้นเป็นแบบเขา อ, อาธิกรรมมีกาบุคคลทำมาอาธิกรรมิีกาบุคคลในหมายความคนที่ไม่เคยได้มาในการก่อนเขาจะเริ่มฝึกจะเริ่มหัดจริงๆเขาใช้กันแบบนั้น แต่แบบเที่ยงสุดนี้ไม่ใช่เป็นการฝึกจริงๆเป็นการทบทวนแบบนี้ถือว่าเป็นแบบทบทวนไม่ได้ฝึกเริ่มต้นหมายถึงว่าคนที่เยี่ยุดในวันนี้ต้องเป็นคนที่เคยได้ยา น, นี้มาก่อนในอดีตชาติแล้วก็มาทบทวนคือรือ้อฟื้นขึ้นมาใช้ใหม่ไม่ใช่ของไม่ใช่ของฝึกใหม่เป็นของเก่านํามาใช้ใหม่ แต่ว่าท่านนั่นหลายจะได้มาหรือไม่ได้ท่านก็อาจจะไม่รู้ <c oughs> ถ้าจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะได้หรือไม่ได้ก็ช่างกนน็นึกเอาก็แล้วกั น, กนว่าที่ส น, นักนี้เขาฝึกกันแบบนี้ในก็ที่ส น, นักอื่นทรามความจริงกระมฐานมีการฝึกจริงๆใหญ่แปดสิบเออสี่สิบอย่างสี่สิบแบบ แล้วก็มีมาหาติปทานนสูตรอีกหนึ่งแบบก็ไปสิบเอ็ดแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าโอนจัดเต็นเด็ดเด็กจะุ่กแบบไหนก็ต้องการผลเช่นเดียวกันคือจิตเป็นสมาธิระงับจิตแม่จิตพุ่งช้านทำจิตสบายแล้วก็ทบรรยายเกิดเพื่อตากิเลสทื่สมุทัยตหาร นี่สํา น, นักอื่นๆทําไมท่านไม่ต้องการจะไปหรือได้ไปมาแล้วทาไมท่านยไม่อยู่ที่นั่นมาที่นี่ทําไมมาที่นี่เพื่ออะไรเพราะที่นี่ก็ฝึกําแบบนี้ทําไมถึงมาที่นี่ถ้าจิตใจมาด้วยความเต็มใจจริงๆหวังผลจริง ๆ, ๆก็สแสดงว่าท่านพูดนั้นเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในอดีตสมบิชานี ก็มีมากาท่านในกันที่บอกว่าวิชาแบบนี้ยุ่งยากเกินไปเห็นโน่นเห็นนี่ไปโน่นไป น, นี่ไ ม, มาา่ต้องการต้อ ง, องการความสงบเพราะว่าต้องการฝุดเฉพาะสายสุขสขันธ์โกอย่างเดียวอย่างนี้ท่านก็มีเยอะเวลาจะ ม, มาก็ขอเดาว่าคนที่มาด้วยความเต็มใจก็ต้องเป็นคนที่ได้วิชานี้มาก่อนในชาติในอดี ท่านที่นี่จะไม่มีการฝึกสำหรับคนใหม่เป็นการพบควนคนเก่าเท่านั้นวิธีทบควนก็ใช่แบบไม่ยากถ้าพูดมัมนไม่ยากแต่ว่าท่านทุกท่านที่จะฝึกก็ต้องทำใจให้ไม่ยากไว้ด้วยถ้าฟังแล้วยากก็ไม่มีผลแน่ถ้าฟังแล้วใจของท่านไม่ยากมีผลวันนี้ นั่นก็คือเวลานี้ให้ตัดสินใจไว้เลยว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวตามในมหาติปถานสูตรถึงกล่าวว่าเอกายนโนยังพิตเวมโคสตานว า, าวิสุติยาเรื่องภาษาบาลีไม่พอนำมาพูดไม่พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าเราคิดว่าเราเนี่ยจริงๆเป็นคนคนเดียว ความจริงเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยามีบุตรมีชิดามีเพื่อนนั่นคือว่าพ่อแม่ที่ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณใหญ่เรามีมีพี่มีน้องมีคนอื่นเรามีแต่คาที่ว่าคนเดียวเนี่ยไม่ใช่จะเป็นลืมความดีของท่านของนั้น ความดีของท่านโบ น, นั้นที่ช่วยเหลือเกื่อนุ่มาเป็นความดีของท่านแต่ที่ว่าคนเดียวคือร่างกายของเรานี่มันคนเดียวจริงๆร่างการนี้หาใครเป็นที่พึ่งไม่ได้เกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องพบกับความป่วยไข้ไม่สบายนอันนี้พระถ้าพวกเราทุกคนไม่อยากจะป่วย เรามีเพื่อนไม่มากมากมีญาติไม่มากมากาอาการไข้มันจะป่วยเท่านี้ก็ไปขอแรงผู้ญาติเรามาตั้งยี่สิบคนสามสิบคนร้อยคนพังค น, คนมาแบ่งอาการไข้เป็นคนนิดนิดนิดนิดทุกคนก็จะป่วยวิที่หน่อยคนหน่อยคนหน่อยคนหน่อยเพราะฉะนันป่วยอาการที่เราจะป่วยมากก็เลยป่วยไม่มาก เพือแบ่งสรรปันส่วนไปคนละเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ร้อยคนก็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นนั้นว่าแทนที่เราจะป่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ป่วยเปอร์เซ็นต์เดียวทุกเวทนามันก็น้อยอย่างนี้ทําได้ไหมถ้าเราอย่างนี้เราก็ทําไม่ได้ไม่มีใครมีความสามารถจะแบ่งปันทุกเวทนาทางร่างกายของเราไปได้เป็นนั้นว่าเราต้องป่วยเท่าไรไมันก็ต้องป่วยเท่านั้น นี่เห็นได้อย่างว่าเราเป็นคนคนเดียวในเรื่องของปัญโภยต่อมาถ้าเราจะแก่ตอนนี้เราเป็นพ่อบ้านแม่เรือนตัว่หน้าก็าคอบตัวเรื่องหน้าหมู่คณะหมูค่คณะก็บอกถ้าเราแก่แค่คนเดียวฐานะบ้านนี้มันทุดฐานะบ้หมู่ฐานะหมู่บ้านนี้มันทุดหมู่คณะนี้ทรุดจะทรงตัวไม่ได้ก็เลยไม่มีใครต้องการให้เราแก่ อันใดคนในบ้านทั้งหมดหมู่คณะทั้งหมดก็จะมานั่งแบ่งความแก่เราไปคนนิดแต่นิดแนิดเป็นนั้นว่าเราถ้าเราจะแก่ก็แก่ลง อ, อีนี้เดียวเพราทุกคนก็แบ่งความแก่ไปทำนี้ได้แล้วปล่าเป็นนั้นว่าสภาวะแบบนี้มันก็ทํำมันได้เราก็ต้องแก่คนเดียวเต็มน้อยกวพอมาถึงเวลาที่จะาตายก็จริง ถ้าคนอื่นเขาไม่ต้องการให้เราตายเพราะเราเป็นกำลังใหญ่เขาจะแบ่งความตายไ ป, น ค, นนยนยปนคนละหน่อยหน่อยแบ่งไปคนละหน่อยหน่อยแตมันไม่ถึงตายแค่จะมีทุกขเวทนา น, นิดหน่อยป่วยไข้นิดหน่อยเขาตั้งใจช่วยได้ความจริงใจแล้วใครทําได้ไหมไมันก็ทำไม่ได้ก็ลงความว่าที่แท้จริงๆเราก็เป็นบุคคลคนเดียวถ้าตายก็ต้องตายคนเดียว ตั้งใจจริงไม่มีใครมารับภาระแบ่งบรรพาภาระของเราไปได้เลยแบ่งไปชนิดก็ไม่มีไม่สามารถจะทําได้ฉะนั้นเวลานี้ขอมัรดาท่านพุทธบริสัทท่านหลายให้ตัดสินใจว่าเวลานี้เราไม่มีทิศทางอื่นใดทั้งหมดนอกจากเราเท่านั้นที่จะเข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามที่พระเจ้าสันตตว่าตนแลอย่อมเป็นที่พื่อของตอนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่เพื่อได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตอนเราดีแล้วใจเราจะได้ที่เพื่อนไอ้บุคคลอื่นได้โดยยากที่นี้เราที่จะเข้าได้ที่พื่อนนี่ยได้ที่เพื่อนจริงจงก็คือเราทําตนเป็นคนดี วันนี้เราทำตนให้มันดีที่สุดตามแบบฉบับของพุทธศาสนาะวางภาระเสียบ้ายก็ดีทรัพย์สินก็ดีคนก็ดีแต่ ก, ก็ดีที่เนีองของเราในช่วงเวลาที่เราจะสมาธิขอลืมหมดหรือว่าเวลานี้ข้าพเจ้าไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ตัวข้าพเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น เวลานี้ไม่มีใครคนที่เป็นญาติเขาก็เป็นญาติแต่ว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเราตายคนเดียวเราป่วยคนเดียวเราแก่คนเดียววันนี้เราช่วยตัวเราจริงๆเราคนเดียวแล้ามันนั่งมองดูตัวนั่งมองดูร่างกายไว้ร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรงได้ตลอดกาลตลอดสมัยไหม <c oughs> แม่บ้านเขาตายเป็นเราจะตายไหม เราก็ต้องยอมรับว่าวันหนึ่งข้านาน่าจะเป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นตาย <c oughs> มันต้องตายแน่ๆร่างกายนี้มันไม่ไทรงอยู่ถ้าสมมุติว่าถ้ามันจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะขึ้นได้ร่างกายนะมถ้าเราขึ้นได้คนที่เขาจะตายเขาขึ้นได้ร่างกายเขาทุกข์เจ้าเขาทุรนทุนรายไม่ต้องการตายแล้วก็ห้ามความตายได้ไหม ไม่มีใครก็ห้ามได้ถ้าเราจะตายเวลานี้เราก็ห้ามไม่ได้ถ้าทำไงจิตใจเราก็ตัดยกยอดไปเลยที่ว่าร่างกายเป็นเสื้อกเกร ง, ง, งเก่าๆที่โซโครกที่เราไม่พึงปรารถนาแต่ว่าต้องอยู่กับมันเพร่อความจำเป็นกดขพื่อกรรมบังคับเพรความโ ง, บง่บังคับ เราโง่มาในชาติก่อนมันบังคับให้มีร่างกายที่เต็มในความโศกโศกหาความเที่ยงแท้แน่นอนมันได้มีแต่ทุกขเวทนาไม่มีความสุขไม่มีความสบายถ้ามาเอื้อร่างกายนี้ที่เราใส่เยี่ยมันจะพังเสียวนี้ก็เฉ่นถ้ามันพังเดี๋ยวนี้เราสิ่งที่เราต้องการ ก, ก็คือพรนิพพานเกิดเดียว เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์มันยุง่งมันยากความลำบากความมีทุกขเวทนาไม่เป็นเรื่องการเป็นเทวดาแล้วกรมไม่มีความหมายสำหรับเราอย่างน้อยที่สุดเราเคยเป็นเทวดาหรือกรมมาแล้วหลายสิเที่ยวมันก็ไม่ยุ่งที่นั่นจะเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างแต่ตอนนี้เราไม่ต้องการเราต้องการสุ่เดียวคือพิภธาย พระนิพันธ์เป็นแดนที่ไม่มีการเคลื่อนใครไปอยู่ที่นั่นแล้วแก่ก็ไม่มีเจ็บก็ไม่มีตายก็ไม่มีหนาวก็ไม่มีร้อยก็ไม่มีป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีการขัดข้องในอารมณ์ใจนิดหน่อยก็ไม่มีมีแต่ความสุขอย่างเดียวภารเทียหนักใจหนักกายนิดหนึ่งก็ไม่มีพระนิพันธ์ดีอย่างนี้เราขออยู่อนิพานธ์ตั้งใจถ้าตามนี้นะ ตั้งใจจริงๆตัดกังวลตัดโหนตัดใหญ่ตัดกังวลภายนอกตัดกังวลภายในกังวลภายนอกเด็กกัทรัพย์สิ น, นตา่างๆบุคคลที่หนึ่งที่เรากังวลภายในก็กายเราเลิกถ้ามันมีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันไปมันตาย ม, ามันพั้งเมลัยตะกานิพันธ์มันนั้นเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันตัดสินใจได้ตามนี้ แล้วตอนนี้ไปก็ตัดทิ้งใจส่วนหนึ่งตามแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมีว่รห้าไมื่ออพูดจะฟังยากขอลัดไปก็ ม, มีความสำคัญเหมือนกันขอลัดไปขั้นของผ ม, มีหันสี่ตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสสมบริการสรแต่กับนิโคทับเิราชจบ อยงนี้ไปให้จับคงมีหันสี่คิดว่าเราจะเป็นมิตรทีดีของคนแลสัตว์ในโลกเราจะเป็นที่รักของคนแลสัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะตั้งใจใเกือกุนคนแลสัตว์ในโลกทัก้งหม่เกินความสามารถให้มีความสุขเราจะไม่ช้าดียะใครจะคือคนมีจิตใจชุ่มชืม่นแบบคนอื่นได้ดี ถ้าสิ่งใดเป็นเกินวิสัยผู้คนใดต้องเข้าเราจะไม่ทําร็จเลยโดยเฉพอะ อ, อย่างยิ่สงสะโพกท้ายนี้เป็นอุเบกขาอุเบกขาวางเฉยเท่านั้นมันยังไม่พอสําหรับนักปฏิบัติ <c oughs> เราจะมีอาการวางเฉยในเมื่อกดธรรมดาเป็นเคยขึ้นกับกายและกับใจความแก่เคยขึ้นเราจะไม่หวันไหวต่อความแก่ ความป่วยเกิดขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวต่อความป่วยความตายเกิดขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งที่เกิดมาในโลกแลสภาพมันเป็นอย่างนั้นจิตใจทรงตัวคิดอย่างเดียวว่ามันพังมาอะไรขึ้นไปในพันมานั้นเราก็ไม่แข็งในร่างกายพังแต่ว่าเราก็ไม่ไม่หนักใจเมื่อร่างกาย เพราะความดีของเราพอเพื่อนิพพานตอนนี้ตั้งไปก็ขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่า น, ำนกำหนดตัดสินใจว่าตับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะเป็นผู้ทรงสินให้บริสุทธิ์ตั้งแต่เวลานี้ไป่งกว่าจะตายไม่ใช่เฉพาะเวลาปฏ <c oughs> ิบัติเพราะเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือไม่ไปอบายภูมิ แม้กต่เราก็ไปนิพพานเราต้องการบุ น, นิพพานอย่างเดียวถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลไม่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นต้องโมให้เราไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสติฐานบ้างจะดีหรืออันดับแรกเราก็ต้องกันสร้างกำแพงกัน้นอบายภูมิไว้ก่อนต้องมั่นใจจริงๆนะ ว่เราทุกคนจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ครบคนจะไม่ยอมให้สีขาวหมดใดสิขีขาวหมดหนึ่งบกต้องตั้งแต่เวลานี้ไปจนกว่าจะตายแล้วจิตใจของเราก็จะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เรื่องความจริงใจแต่ความจริงพระพุทธวรฒนธระสงค์นี่เขาดูกันที่ศีลนะแล้วนับถือจริงแล้วไม่เกีรยว ถ้าเราเคารพแลถือจริงแล้วก็ศีลมันไม่ขาดถ้าเราเคารพและถือไม่จริงแล้วก็ศีลขาดหลังจากนั้นจิตก็ตั้งเป็นเลยวันหนึ่งเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนเหมือนกับว่าเป็นลูกบรลลู น, ลนกเกาะพระยาหาหอเป็นไปสู่นิพพานเรื่การีสองเรามีศีลห้าเป็นกําแพงกั้นอาบายภูมิ อภับบยผูกและโทษที่บาปกามมามถึงเราไม่ได้ที่ห้า ก, กันและก็ะบวนการในสามเรามีพระนิพพานยันที่ไปอารมณ์ตรงตัวอย่างนี้ได้เป็นปกติก็เลิกลงอภับบยผูกกันบาปกรามเก่าเป็ยังไงก็ช่างมันมันไม่สามารถให้เพิ่มไม่สามารถจะกลับราลงโทดเราได้อันนี้อารมณ์ใจที่เราจะตั้งโทษยา ว, ยาว ก็ย้อนไปย้อนมานักศึกษ า, ากำลังใจให้ดีตอนนี้ไปก็มาพู่กันถึงวิธีสรงอารมณ์การสรงอารมณ์เนี่มีความหมายมีความสำคัญมากแต่ว่าสรงอย่างเดียวไม่ไม่ว่าตาเมื่อคี่นี้จิตไม่ตัดตาเมื่อกี่นี้ก็มึดมึดมัวหมัวแต่เวลานี้จิตจะตัดสินใจได้จริงๆริว่าร่างกายนี้เราไม่ห่วง ไม่ห่วงร่างกายเราด้วยไม่หวงร่างกายพวกคนอื่นด้วยไม่ห่วงวัตถุ ธ, ธาตุที่เป็ทรัพยสิในใดๆด้วยเมื่อมีชีวิตเราก็อาศัยมันตายแล้วก็เลิกกันฉันจะไปนิพพานทุกอย่างเดียวถ้าจิตมีความตั้งใจแจ่มแจ้งจริงแท้แ น, น่ชัดจริงๆเลยบอเวลาวันนี้สิจุกุยานแจ่มใสถ้าความลังเลใจจะถึงใจไม่แน่นอนสิจุกุยานไม่ดี มอกไปก่อนวิธีการทรงอารมณ์ผู้ที่ได้แล้วจะได้ทปฏิบัติใหม่ให้รักษาเหมือนกันผู้ที่ได้แล้วบางท่านย้อนมาถามว่าได้แล้วจะทรงอารมณ์อย่างไรบางคนถ้าเป็นเด็กถ้มึงโคนหัวสองโหลต้องรักษาอารมณ์มที่เดิมที่เดียวเราทํำยังไงมันจริงไปได้เห็นได้ ครูบาอาจารเขาแนะนําสั่งสอนอยังไงเราจึงไปได้เห็นได้เราทําแล้วเราไปได้แล้วก็ตั้งรักษาลมนั้นไวเ้เจงกว่าจะถึงวันตายถ้าว่ารักษาไม่ได้ที่นี่ไม่กลับย้อนสอนให้ใหม่สําหรับท่านผู้ใหม่ให้ทรงอารมณ์ตามนี้เอาแบบสบายๆนะตัดทิ้งใจตามนั้นไปก่อนแล้วต่อไปก็กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เมื่อเวลากําหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกนี่ยาวไปบังคับลมลอยลมไม่ใจเไปาตามปกติให้ใจแบบไหนเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปบังคับมันเอาจิตเข้าไปรับทราบค่อยจิตทรงตัวถึงได้ได้เขาสมาธิเมื่อ <c oughs> เวลาที่ให้ใจเข้าให้รู้อยู่วันในให้ใจเขา้าให้รับทราบว่า น, นี้ให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกก็จิตก็รับทราบว่านี้ให้ใจออกแต่เพื่อไม่จิตมีทังวลมากมักเวลาให้ใจเข้าภาวนาไปด้วยเวลาให้ใจเข้านึกวณนมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระพระอย่าลืมนะเวลาให้ใจเข้านึกวันมะเวลาให้ใจออกนับว่าพระพระ ขณะที่พระบรรดากับพระบ า, บาอยู่รู้ลมหาใจเขาออก <c oughs> ขอให้ระงับความอยากความอยากรู้อยากเห็นอยากไปโน่นอยากไปนี่อะต้นนี้อยากต้ น, น, อ, นอยา ก, เ, ายยากเราสร้างกำลังไม่เพื่อไปก่อนเป็นการสะสมกำลังตอนนี้ถ้ามีความอยากอ ย, ากอย่างนั้นเราไม่มีทางนนวันนี้แม้แต่เ ง, งาคนจุรามณีมาได้เห็น ว่าตัวอยากไ <c oughs> ว้ข้างฝั่งเมือเวลาที่ภาวนาก็รู้ลมหายใจก็ออกนี่ให้เป็นการส่งอารมณ์ให้เป็นสมาธิเล็กน้อยเนั้นเองสมาธิเบาๆเวลาภาวนาก็าให้เวลาที่ผ่านนาทีอาจจะเผลอบ้างอะไรบ้างก็เปิดคล้องธรรมบัญญัติไปจำเนื้ตัวเองเอาแค่รู้ให้จิตมันส่งตัวอารมณ์จะได้เป็นที ในช่วงต่อไปในเวลาเขาบอกท่านเขาเงียบคำสอนนิดหน่อยช่วงเราวได้ยินเสีงเครียดะคุณเพลืมตาตอนนั้นจะมีพระหรือมีคนเข้าไปนั่งขนาท่านเพื่อแนะนำท่านในปัจจุบันในช่วงน้นขอทุกท่านจงหยุดภาวนาเสียก็หยุดสนใจก็ัวให้ใจเขาออก ฟังคําแนะนำํำของผู้แนะนําตัดสินใจไปตามนั้นถ้าเขามีผลต อ, อตัดสินใจไปเลยเถ้าโดยเพ้ออย่างนี้ตัดสินใจที่มีความทุกขันให้อารมณ์มันส่งตัวก็คือเราไม่ต้องการมนุษย์สันโลกเทวโลกสรรมโลกถ้ามัอยู่ตัวให้ไดนะ้เราต้องการกานิพพานนี่นี่ทำใจไปก่อนไม่ต้องมานี้ต่อนนะั้น เวลาตอนนี้ตอนเริ่มๆตอนทนายพูดอยก่ก็ดีถ้าหลังจะนินิตก็ได้จับอารมณ์เฉพาะจุดเดียวคือนิพพานไม่ต้องการอะไรทั้งหมดให้มันแน่ใจว่าถ้าตายแล้วเราจะไม่ขึด้นดาดอะไรเลยแม้จะร่างกายของเราความจริงถ้าคนมีปัญญามันขอไม่อยากวัาตายแล้วขึ้นใ ด, ดอะไรขึ้นดดายก็ไม่มีผลไม่เมื่อคนที่เขาไปแนะนาท่าน ทำาว่ายังไงตัดสินใจไปตามนั้นสำหรับที่ยุคพยานไม่แน่บางคนก็เริ่มนต้นก็จิตสว่างจ้าเห็นชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันจะเคลื่นไปพบตามพผูพ้รับผู้รับผูเร็วมากนี่กำลังเขาเข้มแข็งดีบางคนก็ไปแบบมืดมึดเห็นหมัวหมัวบางคนไม่เห็นเลย เอาจิตเข้าไปประท่าเฉยๆนี่แสดงว่าสมาธิคนดีสิงคนดีวิปัสสนาอย่างก็ดีหย่อนแต่ว่าถ้าบางเอิญมันจะไม่เห็นภาพก็เสียอารมณ์แรกเลยสำคัญรู้สึกถ้าก็ถามว่าเวลานี้ท่านมีความรู้สึกว่ามีใครมาอยู่ขรนาท่านบ้างไม่นดะหมายถึงว่าถามถ้าจิตมันบอกทุ๊กมีพระอย่าไปสงสัยนะ ตอบเลยว่าเมืเ่อเวลานี้มีป่าแห้วราถามว่าพระห่มสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีดําป็นแดงสีอะไรแนะ่ถ้าจิตมันบอกค้าก็ห่มเหลืองได้จิตมันบอกดําก็ดําเขียวเขยวึกตอนมันรู้สึกพักตอบ ท, ทันทีมันเหมือนกับเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ก็่มีสมาธิจตตอบไปสักสองสามครั้งถ้าเขายืนยันแบบถูกจะให้ บ, บอกต่างความเป็นจริงนะจะเป็นเล่นลิงเขาบอก ถ้าเราเปหลอกลอก่อคนที่เขานำก็แสดงว่าเราเคบยิเหล็กมันไม่ได้ดีเลยเขาป ล, ล่อยเราคงตัวไปเลยก็ต่อคุสองขามคําเขารับเขายืนยันความมั่นใจเติบขึ้นแต่ที้ไอ้ทิ้งที่เราไม่เห็นเมื่อกลายเป็นธาตเพราะจิตมันดีขึ้นตอนนี้ความโป่ใสก็จะดีขึ้นน้อยแน้อยเพื่งปล่อยจะเข้าสู่ผ่าน พอไปถึงนี่ไปความยังสายที่ดีมากแต่ยิงมากจริงๆเท่าไหรเป็นกําลังใจพระท่านตากิเลสกิเลสท่านท่านเหลือมากมาไปเห็นเห็นน้อยกิเลสท่นท่านน้อยก็เห็นสว่างมากกิเลสไม่เห็นเลยกิเลไม่มีเลยสว่างจ้าเต็มที่ถ้าตอนนี้ไปขบันดาจะพุทธบริษัทอย่างหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันคุมกาลังสมาธิสักพิฆานาทีคู่ใหม่ ให้ใจเข้ า, น า, นา ใ, ในกุาณะมะใ้ออกในอุปาท า, าสำหรับผู้เก่าที่ได้แล้วรวบรวมกำลังใจใหเห็นองค์สมเด็จสมมาสมุทิเจ้าหรือว่าเข้า อ, อยู่เฉพาะรัตพักขององค์ต่อไปเริ่มปฏิบัติใจ